พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบเจ็โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าตุดโชโชโปธิละสมบัติของสงฆ์มันไม่ใช่สมบัติของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อไม่ใช่สมบัติของพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นสมบัติของกลางเป็นสมบัติของสงฆ์นีิสูจเอาเตียงต่างโฟกเขาอี้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 เสนาสนะเวลาเราจะออกไปแล้วก็มอบโดยเก็บดูช่วยดูเสนาชนะด้วยนะสิ่งไหนที่ไม่เรียบร้อยให้เก็บให้ด้วยอันนี้ก็คือความมอบหมายในพอบใดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเป็นศินของพระเพราะฉะนั้นพวกเราไปอยู่นสถานที่ใดไปวัดไหนก็ตามตามไปพักวัดของท่านแล้วก่อนที่เราจะออกมาเราต้องเก็บ ของในวัดในเสนาสนะให้เรียบร้อยทุกอย่างอย่าให้เป็นปัญหาของคนอื่นเขาทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่จะนวากะนะมันไม่ใช่นวากะชุดนี้นะพระพวกเราทุกอง น, ะนั่งอยู่ที่นี่นะไปณสถานที่ใดไปวัดของท่านเวลาเราออกจากกุฏิของท่านเราไปพักแลมคืนนึงเวลาจะออกไปถ้าเป็นไปได้เาต้องมอบเสนาสนะกับคืนเออ ผมขอมอบเสนาสนะกับคืนนะครับถ้ามีอะไรยังไม่เรียบร้อยก็ขอในมลเก็บให้เรียบร้อยให้ผมด้วยอันนี้คือการมอบเสนาสนะให้แก่เจ้าของเดิมเพราะว่าวัดแต่และเสนาสนะไม่ใช่ของของใครเป็นของกลางนะว่าเป็นของสงฆ์ท่านอยู่ที่นั่นท่านก็เป็นพระสงฆ์ท่านก็ดูเสนาสนะไม่ใช่ของท่านเองเราไปพึ่งพาอาศัยก็ไม่ใช่ของเรา แต่เมื่อเราไปใช้แล้วเราก็ต้องมอบคืนให้ท่านดูแลรักษาต่อคพอพราท่านอยู่ที่นั่นอันนี้คือพระวินัยของพระพุทธทเจา้าราะฉะนั้นเราจะนีเราจะไปสนานาสถ า, านที่ใดต้องทำให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเพราะสินสองร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยที่ผมโนนูดคือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อของพระน่นะไม่ใช่อื่นไกลเป็นกฎระเบียบ เป็นกฎเป็นระเบียบในการไปการอยู่ของพระสงฆ์ในการบวชของพวกเราในคราวนี้มันเป็นไม่ใช่การบวชแบบธรรมดาเราต้องคิดแล้วคิดอีกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งมงสาขนาญาติก่อนที่เราจะบวชแต่เราเมื่อเราได้บวชแล้วก็ได้ริมรถ หรือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในช่วงระยะหนึ่งเดือนกว่าๆแต่การสัมผัสในการบวชของพวกเราในคราวนี้มันก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งในการดำรงชีวิตของพวกเราชีวิตเป็นพระเนี่ยมันจะให้เหมือนชีวิตคารวาสไม่ได้ พอมันมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์อีกอันนึงกฎเกณฑ์นี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของหลวงพ่อไม่ใช่กฎเกณฑ์ของพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคําสอนพระวินัยของพระพุทธเจ้าพวกเราอยู่ในกฎระเบียบของหลักพระธรรมวินยัยเราจะไปตำหนิใครไม่ได้พอเรายอม ปฏิบัติตามทำคําสอนครูบาอาจารย์ทุกองนับแต่ผมลงไปผมก็ต้องปฏิบัติตามหลักทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้อย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือศีลส่วนแนวความคิดนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเน้นหลักก่อนที่จะไปถึงจุด ความประสงค์ระหว่าความแนวความคิดของพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องไปเพราะการเป็นเป็นอยู่ต้องรวมกลุ่มรวมรวมคณะต้องมีพักมีพวกต้องอยู่ด้วยกันหลายองค์จะต้องอยู่ในกฎระเบียบพระวินยัยเพราะว่าเราจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายตามลำพังไม่ได้ เมื่อเราอยู่ในกฎระเบียบตั้งแต่สององค์ขึ้นไปจนถึงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์เราก็ต้องมีพระพินยัยมีกฎระเบียบต้องมีอายุพรรษาเราจะอยู่อย่างไรอย่างเจนาชนะเราจะอยู่ทั้งไหนก็ต้องเป็นพระที่บวชเก่าที่มีอายุพรรษาเป็นผู้อยู่ก่อนเป็นผู้เลือกให้ อย่างนี้เป็นต้นเว้นเสียแต่พระที่มีอายุพรรษาเป็นผู้เสียสละเหมอะภัยองค์ไหนก็ได้นี่อันนี้คือถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมวินัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากศิลของพระสงฆ์สองรอยี่สิบเจ็ดข้อนะั่นก็ยังมีศินอภิสมาจารอีกศินอภิสมาจารคือสินนอกพระปฏิโมกศิลพระปฏิโมก็คือสินที่พวกเราสวดเป็นข้อข้อในวันอุโบสถ แล้วว่าสินพระปฏิโมกศินอภิษมาจาร์คือสินนอกพระปฏิโมกแต่สินนอกพระปฏิโมกนั้นสำคัญอย่างไรทำไมจึงมีสินนอกพระปฏิโมกยกประเด็นให้ฟังเป็นเพียงไม่สิไม่กี่สิคาบทสำคัญไม่แพ้กันแต่ถ้าว่าจะสวดหนึ่ยคงจะสวดทั้งวันทั้งคืนก็คงจะไม่จบมันยาวความจำของเราก็มีขีดจำกัดอีกต่างหาก เพราะนั้นท่านจึงให้สวดแต่เพียงแค่นั้นเป็นหลักใหญ่แต่หลักย่อยที่จะยกขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างให้ฟังก็ว่าพิกษุห้ามไว้เล็บยาวถ้าใครไว้เล็บยาวปรับอวัตทุ ก, กฎห้ามไว้หนวดยาวถ้าใครน้อยหวดยาวจนแตงหนวดได้ป ร, ปรับอวัตทุ ก, กฎห้ามไว้ขนจมูกยาว ห้ามไว้ผมยาวอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ต้องชำระ ก, กายต้องอาบน้ำต้องซักผ้าอย่างนี้เป็นต้นดูดูแล้ว ม, มีมีมีมากเกี่ยวกับศิลนพิสมาจาร์แต่ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมาก เท่าพระไว้ผมยาวแล้วเป็นยังไงไว้เล็บยาวเป็นยังไงล้วนแล้วแต่ไม่น่าดูทั้งนั้นไว้หนวดยาวไว้เขายาวเยานี mm ้เพราะนั้นเรื่องพระวินัยอภยิสมาจารย์ทานดูแล้วไม่แพ้กันศีลพระปฏิโมกสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ให้อยู่ด้วยกันให้มีกฎและเบียบคำไว้ผมยาวยาวขนาดไหน ท่านก็บอกอีกว่าไม่ให้เกินสององคกลีสององคกลีคือคือสองข้อนิ้วมือไม่ให้ยาวถ้าหาว่ายาวกว่านั้นจะหวีได้ตกแต่งผมได้ท่านไม่ให้ยาวไม่ให้เกินนั้นแต่ถ้าว่ามันไม่ไม่มีผมเลยมันไม่ยาวไม่ต้องป่งก็ได้เพราะผมไม่ยาวแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงหนึ่งเดือน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 มีปัญหาให้อยู่ในกฎระเบียบเดียวกันถึงตึกดึงเดือนมากระปงซะทุกครั้งอันนี้แหะคือพราะวินยัยที่พวกเราได้รักษาคือศีลศีลและวินยัยนะอันนี้คือธรรมตธรรมและวินยัยธรรมในละเอียดกว่าวินยัยวินัยเนี่ยคือเป็นส่วนหยาบ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้เรียกว่าวิายัยส่วนธรรมคือรักษาใจรักษาใจคือรักษาความนึกคิดจะรักษาอย่างไงคือความนึกคิดถ้าเรานึกคิดไปในทางที่มีถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้ารักษาใจของตัวเองให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามหลักพระธรรมวินยัย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 เดินผิดที่ผิดทางไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไม่ถูกต้องตามธรรมธรรมตัวนี้แหละทำคำสอนที่พระพุเทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้มีหลายระดับเลยระดับพื้นๆคืออยู่ในอยู่ด้วยกันแนวความคิดของพวกเราไม่คิดเบียดเบียน ไม่คิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นจิตใจอยู่ในทานองครองธรรมจิตใจอยู่ในหลักเหตุผลอันนี้ประวัติขั้นพื้นฐานต่อไปเราทาพยายามทำจิตใจของเราให้สงบเป็นพระสูตาพระสกทาคาพระนาคาพระรหันอันนี้คือถึงที่ถึงที่สุดคือจบเป็นพระอเสข ผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วเพราะนั้นเราบางคนเ็าบอกว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปมันมีมีมากลากหลายถ้าอย่างว่าอย่างที่ผมพูดผมว่าที่หลวงพ่อเนี่ยนะไม่ได้เรียนจบป .4 อย่างเนี้ยหลวงพ่อไม่ได้เรียนปริญญาตรีโทเอก แต่หลวงพ่อเข้ามาศึกษาแต่จุดเนี้ยจุดที่เข้ามาศึกษาจุดนี้นะ่ะถ้าเราไม่พูดเออก็พวกเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เรียนจริงๆแต่ถ้าเราพูดเหมือนกับลักษณะเราขี้อวดอวดอ้างตัวเองไม่ได้เรียนก็เห็นว่าเอามาอวดอ้างใ ห, ให้ให้กลุ่มคนทั้งหลายว่าเป็นถือว่าเป็นบุคคลสําคัญ แต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วการเรียนการศึกษาทางโลกเนะี่ยแต่จบขั้นระดับไหนก็เถอะท่านไม่คือว่าจบเพราะเหตุไรเพราะว่าการเรียนการศึกษานั้นยังเรียนอยู่ในวัฏ ต, ตะมันยังวกุญเวีย น, นอยู่ในกิเลสกิเลสเป็นผู้บัญชาการกิเลสโลภโกรธหลงเป็นผู้บัญชาการ แต่ถ้าว่าเรียนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธจเจ้าเรียนเข้ามาหาใจมาหาตัวผู้รู้ความนึกคิดของตัวเองขณะนี้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรมันไปทางโลภไปทางโกรธและไปทางหลงไปรังราคะโทสะโมหะหรือไม่ถ้าเรารู้เรารู้แจ้งเห็นจริงถอดถอนกิเลสภายในใจของเรากิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วปล่อยวางหมดแล้วท่านเรียกว่าพระอเสคะผู้ไม่ต้องศึกษาจบแล้วจบหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ได้จบที่ไหนจบที่ใจของท่านดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจจบที่ใจแปลว่าเป็นพระอเสคารแต่ถ้าว่าผู้ที่ยังเรียนพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ เรียนศึกษาในพระไตรปิฎกท่านบอกว่ายังยังเป็นพระเสขะยังเป็นพระเสขะยังเป็นผู้ยังยังเป็นผู้ยังศึกษาอยู่แปลว่ายังไม่จบถึงจะจบพระไตรปิฎกก็เถอะแต่ยังไม่จบทางด้านจิตใจพราะพระพุทธเจ้าว่ายังไม่จบถ้าผู้ใดเรียนจบใจของตนเองแล้วนั่นแหะเป็นอเสฆะจบแล้ว ผู้ไป ม, มาเวียน่หวตายเกิดอีกแล้วเป็นอาเสียขาดผู้ไม่ต้องศึกษาเนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ความสำคัญเรื่องของใจวิถีทางจิตเนี่ยทางใจทางผู้รู้นี่มากกว่ามากกว่าอย่างอย่างอื่น <S <S 1> <S 1> แต่เพราะในครั้งพุทธการท่านเรียนจบพระตรัยปิฎก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 พระรองค์พระองค์บอกว่าเป็นไงโปรธิรัตท่านใบลานเปล่าท่านจะไปแล้วหรอโปรธิรัตท่านมาจากที่ไหนโปรธิรัตนคือนําหน้าเอาโปธิรัตนําหน้าโปธิรัตคือใบใบลานเปล่าอท่านใบลานเปล่าท่านโอ้ใช่เราก็เปล่าจริงๆเราจะไม่ได้มรรคได้ผลมีแต่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 เพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามลำพังนี่แหละท่านโปธิัะท่านคิดได้อย่างนั้นจากนั้นท่านก็หลบหนีออกไปไปเข้าไปป่าดวงพงไพไปห่างไกลแต่ถึงยังไงถึงท่านจะไปที่ไหนก็ตามใครๆก็รู้ว่านี่คือท่านพระเถระโปธิละผู้มีชื่อเสียงอยู่ในสำนักของพระพุทธ้าท่านก็ไปในป่าดวงไปเห็นพระภิกษุสามสิบกว่ารูป อยู่ด้วยกันตั้งแต่หัวหน้าจนถึงเนนองค์สุดท้ายเนนองค์นั้นก็ได้เป็นพระหรหันต์อีกผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทายานอยู่ด้วยกันตั้งแต่พระเทรรจนถึงพระองค์สุดท้ายท่านก็พระโปเทรัรตเนี่ยก็เข้าไปกราบพระเทรรที่เป็นมีอายุมีอายุพัรษาอาุโศท่านอาจารย์ครับ ผมมาคราวนี้ผมมาเพื่อการศึกษาผมมาเพื่ออยากจะให้ท่านอาจารย์สอนวิธีการปฏิบัติให้ผมด้วยผมมาจ ะ, จะมาฟังครูบาอาจารย์ขอแนะนําให้ผมทางหนทางชี้ทางให้ผมด้วยท่านพระเทราก็บอกอาจารย์ก็เป็นผู้แตกฉันในพระไตรปิฎกจบในพระไตรปิฎกแล้วจะมาให้ผมแนะนําสั่งสอนอย่างไง พราะท่านก็รู้เนี่อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าแต่พระโปธิลัตเนี่ยก็บอกว่าใช่ผมจบพระไตรปิฎกก็จริงอยู่มีเครื่องไม้เครื่องมือบริบู์แต่ไม่รู้จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนมาแก้กิเลสภายในใจของผมผมยังมีกิเลสราคาโทสะโมหะอยู่ยังไม่จบไม่สิน้นเพราะนั้นผมจึงมาสะแสวงหาครูบาอาจารย์ แนะแนวว่าจะทํำยังไงจึงจะชาระใจให้บริสุทธิ์เป็นพระอริยะบุคคลเป็นอเสะขะผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆจะทํำยังไงพระเทระท่านก็มีญาณทัศนะท่านว่าเออพระอาจารย์ปวทิรัตน์นี่ไม่ใช่วิษัยของเราที่จะสอนท่านรู้นะท่านอ่านอ่า น, านทานรุปรปูโผงหมดเพราะว่าท่านมียานัทสนะ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 เพราะว่าออถ้าสอนเราก็คงจะไม่รู้เรื่องกันให้ข้าพนตร์ลดทิฐิมานะลงไปเรื่อยๆ อ, องค์ที่สามไปไปหาองค์นั้นไปองค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าองค์ที่หกจนถึงองค์ที่สามสิบไปถึงเนนน้อยองค์สุดท้ายพอไปถึงเนนน้อยองค์สุดท้ายเนนน้อยันรู้จะโยนไปที่ไหนเ็นน้อยก็เป็นพระอารหันต์เหมือนกันก็ถามเนน ท่านอาจารย์ส่งมาให้ผมมาศึกษากับท่านกับสัมมาเนนเนนพอที่จะแนะนำสอนผมได้ไหมที่จะเอาชำระกิเลสตัดจิตตั ด, ตดใจเนเนน้อยก็บอกว่าอาจารย์จะเชื่อผมหรือเปล่าเนาะอถ้าอาจารย์ไม่เชื่อผมนึงผมก็สอนมันก็ไม่ได้อาจารย์ก็บอกได้เนนบอกอะไรผมจะเชื่อทั้งหมดผมจะฟังทั้งหมด ท่านเนนบอกอะไรผมจะฟังเพราะผมมอบกายถวายตัวและเป็นลูกศิษย์เน้นก็ครับถ้าอาจารย์จะปฏิบัติได้ยอมขนาดนั้นผมก็ยินดีที่จะแนะนำพระหันทั้งก็ะถอมตัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันทั้งๆเป็นสมนัมเาณแต่ใจเท่าข้าเถอะแต่ใจของท่านเป็นพระรหันตน์แปลว่าเป็นเถรละล่ะท่านไม่ได้ว่าเป็นสัมเาณนะใจของท่านเป็นมหาเถระ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 เป็นไข่และเป็นพี่เป็นพี่พวกนี้ทั้งหมดส่วนโปธิรัตน์เนี่ยยังยังอยู่ในไขอ่อยู่ยังอยู่ในเปลือกไข่อยู่แต่สมณีนะั้นยูนออกนอกเปลือกไข่แล้วเป็นพี่แล้วไม่ใช่น้องแล้วถึงอายุพรรษาน้อยก็เถอะแต่เป็นพี่เป็นพระเทระเป็นมหาเทระอีกต่างหากเพราะไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้น สัมมนเนนก็ปะอาจารย์ตามหลังผมไปพอไปเดินเดินเดินไปสัมมนเนนก็ทดลองอาจารย์จะเชื่อเราจริงหรือเปล่ารถทิชไห้เขาว่ารถทิธีมานะให้เห็นอาจารย์เดินเข้าป่าเลยสิอาจารย์ก็ไม่ได้ฟังอะไรอาจารย์ก็เดินช่วมๆเข้าไปป่าเอออาจารย์ออกมาโอ้แสดงว่าเราบอกอะไรอาจารย์เชื่อทั้งหมดเนี่ย จำเนนก็พระนหันไพ่ก็ไปเห็นสระน้ําอีกอาจารย์ลงไปในสระน้ําซิอ่าไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าลงไปเพื่ออะไรทําไม่จำเนนบอกให้หลงก็หลงเนีให้คําว่าท่านบอกว่าเราจะเชื่อทั้งหมดจำเนนพูดอะไรก็เดินลงไปอาจารย์อาจารย์าารยขึ้นมาพอผ้าจะเปียกแล้วพอขึ้นมาจำเนนก็หาที่นั่งที่สบายหาที่นั่งเนี่ย ธรรเนงก็นั่งท่านอาจารย์ก็นั่งสมรมเนงกัอาจารย์ให้สังเกตนะที่ผมจะเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังให้อาจารย์สังเกตให้ฟังอาจารย์มีจอมปวกอยู่แห่งหนึ่งแล้วมีรูอยู่ห้ารูแล้วมีรูดักอยู่รูหนึ่งรูดัก ห, หนึ่งแล้วก็มีรูห้ารู อาจารย์พอในจอมปลวกนะนะั้น่ะมีอยู่ห้ารูนะอาจารย์และมีเฮียมีตัวเงินตัวทองอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนะนะั้น่ะมันออกหากินอในทางของมันหนะ้าห้ารูนะนะั่นนะมันออกหากินแต่ละวกแต่ละวันอาจารย์พอจะเข้าใจนะที่ผมพูดแล้วมันมีรูดัก อีกลูหนึ่งลูลึกที่อยู่ที่อยู่อาศัยของมันเพราะนั้นอาจารย์ปิดลูทั้งทั้งห้างเอาไว้ลูเดียวลูดักขุดลงไปเลยตามลูนั้น่ะมันจะไปที่ไหนทุกลูมันจะมันจะดิ่งเข้าไปหารูดักทั้งหมดแต่เนี่เราเราปิดลูทั้งหมดแล้วก็ขุดลูดักเข้าไปเลยแล้วก็ไปเจอจะจับเพี้ยได้อาจารย์ อาจารย์พอเข้าใจนะที่ผมพูดอาจารย์เข้าใจเข้าใจเข้าใจสัมมานีเข้าใจคือเอาถ้าเข้าใจกันนี่มลไปปฏิบัตินี่แหละอันนี้คือสัมมเนีพูดเปียบอุปมาอุปไมให้ฟังท่านว่าจอมปลวกนันคืออะไรคือจอมปลวกคือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเหมือนจอมปลูกเหี้ยนั่นคืออะไรเหี้ของเราคือใจ ใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจในความนึกคิดนแต่ทีนี้เฮียตัว น, น, นั้นมันออกทางตามันออกไปทางตาเห็นรูปเกิดกิเลสราคะโทสะถ้าเห็นรูปสวยมันก็เกิดราคะถ้าเขาบี้ยกปากใส่แสดงอากับกิริยาไม่พอใจก็เกิดโทสะนก็เห็นปล่อยเฮียออกไปทางตา เฮี่ย er, ตอนนั้นมันออกไปทางหูถ้าเห็นคนพูดเสียงเพาะๆก็เกิดราคะเกิดความกำหนัดยินดีถ้าเขาด่าเข้ามาทางหูเกิดโทสะอ่านี่แหละเฮี่ย er, ตัว น, นั้นมันกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลามันออกไปหากินทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายอย่างที่ว่ามันออกไปจักใจใจเป็นใหญ่ มันออกไปจากใจมันออกไปทางตาทางหูทางจมูกนั่นแหละคือทางกินทางหากินของเหียใหญ่ของตัของตะ ก, ก, กวดใหญ่หรือว่าของตัวเงินตัวทองมันออกไปหากินในห้ารูนั้นแต่ทีนี้เราปิดรูซะทีจำเรีเนว่าให้ปิดรูปิดรูปิดรูหากินของมันคือเห็นตาเห็นแต่สักว่เห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา หูได้ยินชักแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชัากแต่ว่าได้ยินไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการได้ยินทั้งตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทั้งกายกับลักษณะนั้นจากนั้นก็ค้นก็ไปหาลูดักถึงก็ดูใจตัวเองพอคน้นค้นก็ไปหาลูดักมันกระใจของเรามันก็ไม่มีทางออกมันถตกดึกตกดึกตกดึกเออความคิดความปรุงของใจ คิดไปในทางดีอก็เป็นกุศลถ้าคิดไปทางชั่วก็เป็นอกุศลถ้ามคิดไม่ไม่ทางดีไม่ทางชั่วเป็นกลางๆเรียกอัพยาการตาที่อัพญญาการตาน้อยมากมันโดยมากากุศลและอกุศลดํากับขาวดํากับขาวเป็นส่วนมากทีนี้ไม่ใครเขาว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่ในจิตใจมีจุดมีต่อผู้รู้เอนั่นแหละ คือตัวพบตัวชาติอยู่ในตัวนั้นเนี่ยอย่างที่หลวงตามหาบัวท่านว่ามีจุดมีต่อมผู้รู้อยู่ชิ่ที่ใดจุดนั่นแหละคือตัวพบพบชาติมันเกิดมาจากจุดนั้นนี่แหละสรุปแล้วคือใจของเราเนี่ยมันกระดึกกระดุกกระเดกอยู่ตลอดลเวลาจากนั้นพระโพธิลัทท่านกับนั่งภาวนากำหนดดูใจของท่าน พระพุทธเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่พระคันทกุดีท่านเห็นว่าเออโปธิรัตน์เข้าที่แหละท่านจะได้สําเร็จหละวันไหมสําเร็จเป็นพระหรหันแล้วท่านก็เพ่งอืมก็แส่หมามาเทศให้พระโ ป, ะโ ป, โปธิรัตน์ฟังโปธิรัตน์ท่านจงปล่อยวางท่านอย่าไปทึ้งยึดมั่นถือมัน จากนั้นพระโพธิเลศท่านก็ดูตามที่พระพุทธองค์แนะนําท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แตกสารปฏิสัมพิทายานเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้ทั้งปริยัติได้ทั้งปฏิบัติบัดนี้แปลว่าท่านเต็มบริบูรณ์ไม่ใบลานเปล่าใบลานเต็มถ้าท่านได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วทั้งฝ่ายปริยัต ท่านก็พร้อมท่านจะแยกแยะตรวงไหนพระพุทธเจ้าอบรมอย่างไรพระสงฆ์สาววกแทนศาสนาว่าการอย่างไรท่านเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมพร้อมที่จะแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนได้กว้างขวางเหมือนกับองค์หลวงตามหาบัวของเราท่านได้ทั้งปริยัติท่านได้เรียนเป็นมหาป ร, รียญแปลเป็นภาษาบาลีแปลตรงไหนก็ได้จากนั้นท่านก็ลงมือปฏิบัติอีกท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล ใจของท่านได้เป็นพระอาหารหันต์จบเป็นผู้เจนจบเป็นด็อกเตอร์จริงว่วด็อกเตอร์อด็อกเตอร์ยังเรียนแต่ใบอดอกใบกิ่งก้านสาขาเท่านั้เองแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเรียนถึงตัวนามธรรมตัวที่รู้รู้เนะ่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 ถึงจะจบพระไตรปิฎกท่านกล่ว่าเป็นใบาลานเปล่าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเรื่องของใจในหลักของพุทธศาสนาเรื่องของใจในเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะพระพุทธเจ้ายกประเด็นหลักเลยเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงอยู่ที่ใจถ้าเราชำระใจของเราใจของเราไม่มีกิเลสราคะโทสะโมห oh ะจิตใจของเราเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นใจของเราปล่อยวาง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 สวากาตธรรมเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะธาตุอมตะธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เน้นหนักไปจุดอื่นเจินเน้นอย่างหนักลงเข้าสู่จิตใจเท่านั้นให้ใจของเรารู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่สมณเณรได้สอน ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั้นเป็นทางหากินของเฮี้ยของตัวเงินตัวทองปิดมันซะเห็นแต่สักวเห็นรู้แต่สักวารู้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งร่างกายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ความสาคัญในการได้เห็นได้ยินจากนั้นก็เน้นมาหัใจตัวผู้รู้ มนโนปูพังเขมาธรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วไม่มากนิดเดียวแต่ว่ามันควบคุมได้ยากแต่การควบคุมของใจนะั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเละสมาธิไม่มีอย่างอื่น มีแต่สมาธิเท่านั้นจะควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ได้แต่ใจของเราไม่เป็นสมาธิใจของเราปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจะพิจารณาอะไรจะไม่เห็นทั้งนั้นเหมือนกับคนเป็นบ้านลือขาดสติใจให้สอนอะไรไม่เข้าใจทั้งหมดพวกเราเคยเห็นพูดไปหนึ่งตั้ม ไ, ไปหนึ่งพูดถึงไปเพไปคนละทิศคนละทางก็ อ, อะไรเพราะคนไม่มีสติ คนขาดสติสติสัมปชัญญะเป็นกุญแจดอกสัมพันธ์อย่างยิ่งในภาคปฏิบัติของพวกเรายิ่งสติดีเท่าไหร่สัมปชัญญะรู้ยิ่งเห็นจริงเท่าไหร่นั่นแหละทำสมาธิทมเกิดได้ง่ายในเมื่อสมาธิทมเกิดแล้ว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 รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมันมนดม่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราก็คืออะไรพวกเราใ ห, ให้ให้ความสำคัญในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝาา่าเท้าเราเห็นเรารู้ยศถาบรรดาศักด์หลาบยศเจริญความสุขความทุกข์ในร่างกายเราให้ความสำคัญจุดนี้แต่หลักของพุทธศาสนาทไมท่านให้ความ ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจอย่างที่สัมมเนนท่านให้ความสำคัญตัวเงินตัวทองทางออกหากินของเฮี้ยใหญ่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายท่านไม่ให้ความสำคัญนั้นให้เป็นทางหากินของเฮี้ยใหญ่แต่ตัวเฮี้ยใหญ่ตัวการมันจริงจริงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวความรู้สึกนึกคิดนั่นะตัวนั้น พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญพระหันตถสาวกให้ความสําคัญถ้าใจดวงนั้นเฉลียวฉลาดรอบรู้แล้วไม่ลุ่มหลงไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงํำแล้วใจของนั้นจะโดดเด่นจิตใจบริสุทธิ์รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นรู้แจ้งสว่างสวายยิ่งกว่าใจออกจากกิเลสไม่มีเมฆหมอก ปิดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใจคุณดวงนั้นเจิดจ้าอยู่ตลอดนั่นแหละใจบริสุทธิ์จากนั้นวัใจดวงนี้แหละที่ว่าใจใไม่มีกิเลสใจบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีเครื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวฟ้องเกี่ยวข้องปิดบังเป็นอเสขะ ผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบพรมาจัรจบพมาจันย์แต่ถ้าหาว่าเรียนของเรื่องของใจยังไม่จบท่านจะว่าจบพรมาจัรย์ไม่ได้ยังเป็นยังเป็นพร ะ, ะเสขะยังเป็นยังเป็นพระเสขะเสขะผู้ยังต้องศึกษาต่อไปหาทางฝ้นทุกตะเกียบ ต, ตะกายกระเสือกกระสน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 พระอรหันต์ท่าน่ะเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจะเป็นพระโสดาจะเป็นพระอรหันตุขวิปัจโจติวิชโชสระพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตจะเป็นพระอรหันต์องค์ไหนก็ได้สี่จำพวกนี้คือถ้าว่าเป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาแปลว่าจบแล้วจบพรมมะจันแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะทำมัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวมานี้ ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางยกให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธศาสนานะี่ท่านเน้นหนักจุดไหนตรงไหนอย่างไรอย่างสมเด็จสอนพระโพธิลัตนี่แหละเห็นชัดเจนท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจท่านเปรียบเทียบให้เห็นเอกว่าใจนั่นคืออะไรคือตัวเหี้ยทางหากินของเหี้ยใหญนะ่นันตึกไปทางไหน